แล้ววันนี้อาจารย์จะพูดเรื่องอ่วันนี้ว่าจะคุยกันเรื่องชัยชนะแปดประการครับชชนะแปดประการครับชั่ชนะแปดประการเป็นชยชนะของใครค็ก็เริ่มต้นด้วย อ, ออันนี้ก็เอามาจากตำ ร, ราเก่านะครับคอับ เ, เริ่มต้นด้วยการชนะความโกรธด้วยการให้อภัยรคบ เอาชนะความอยากอิจฉานะครับอิจฉาไม่ใช่ริษยาเอาชนะความอยากด้วยความเสียสละเอาชนะความโลภด้วยความอดทนและสันโดษเอาชนะความกลัวด้วยความกล้าหาญเอาชนะความท่านงตนด้วยความกรุณาเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บด้วยความพอประมาณ เอาชนะความง่วงโดยความพอประมาณในอาหารเอาชนะความติดโลกโดยการพิกรณาให้เห็นโทษหรือธรรมชาติอันชั่วร้ายของโลกอันนี้ผมบันทึกเอาไว้นานแล้วนะครับประมาณสักสามสิบปีนะครับแล้วก็จำได้ว่าเอามาจากหนังสือภาชาอังกฤษ เพมหนึ่งแต่ทีนี้พยายามค้นหาพยายามค้นหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอต้นต่อมาจากไหนครับข้อแรกก็คือชนะความโกรธด้วยการให้อภัยครับข้อที่สองชนะการให้อภัยความอยากก็ชนะความอยากด้วยความเสียสละด้วยความเสียสละครับเอาเริ่มด้วยความโกรธก่อนดีไหมครับครับความโกรธเกิดจากอะไร อันนี้มันสายมันก็เริ่มต้นจากความไม่พอใจอรารตินะฮะอรารติความไม่พอใจอรารตินี่บางทีแปลว่าความริษยาก็มีอรารติความไม่พอใจปฏิฆะความขัดเคืองหงุดหงิดแล้วก็โกตะคุณคุณโทสะทุงท่านคิดไปทุสลาย ถ้าเพื่อทําได้ก็ทําไปทํำด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างถ้็ก็ความงขวธนี่จะเริ่มต้นด้วยอารติอารติครับคือความไม่พอใจไม่พอใจอ๋อไม่พอใจเสร็จก็จะเกิดในขั้นที่สองคือปฏิฆะปฏิฆะเกิดคนางุดหงิดมุ่งงานเอ๊ะทําไมเป็นอย่างนี้ขาดถ้าแก้ไม่ได้ก็จะเกิดโกทะโกทะความ คุณนะคุณความคุณมัวคุณคุณมัวหรือก็เรียกว่าโกรธนะครับใช่ครับโกรธนั้นมันภาษาที่เรายังไม่ได้แปลทีนี้พอโทสะนี่พุ่งออกมาเลยโทสะนี่พุ่งออกมาพุ่งพลันออกไปด้วยกายด้วยวาจาครับถ้าทางวาจาก็ด่าถ้าทางกายก็อาจจะเอาอะไรปางหัวก็ได้โทสะทําด้วยโทสะที่เขาว่าบันดาลโทสะใช่ไหมจ๊านะบันดาลโทสะแล้วก็อาจจะ คาเขาก็ได้ตีเขาก็ได้โกรธนี่ยังไม่ถึงกับลงมือแต่ว่าด่าก่อนใช่ไหมท่านนี่โกรธโกรธมันคุณอยู่ภายในคุณอยู่ยังยังไม่แสดงยังไม่แสดงออกกายวาใจอใจใช่ครับครับแต่ถ้าโทสะนั้นลงมือเลยอ่าโทสะนั้นพุ่งพานออกมาเดือดเลยนะฮะครับมันกลายเป็นอวิติกะมะกิเลสนะฮะมันกลายเป็น อโกธามันก็อย่างนะฮะแต่ทีนี้มันจะออกมาทางกายวิจาถ้าออกมาทางกายวาิจารก็เป็นวิจิตกรรมคือในในในระดับพฤติกรรมครับระดับพฤติกรรมอนอกจากขั้นต้นกว่านั้นมันก็ยังอยู่ในพวกปริยุทธฐานะกิเลสยังพวกกลุ่มลมอยู่ในใจิตใจที่นี้ก็ถ้าทําได้ก็ทําไป ถ้าทำไม่ได้ก็ผูกพยาบาทเอาก้าวหน้าเลนาเข่าหน้าจะเล่นงานให้ะ ใ, ให้สบายอันนี้เป็นพยาบาทพอเป็นพยาบาทก็เป็นมโนกรรมไขอากุศลกรรมมบทขาดเป็นกรรมบทก็กรรมมบทขาดเป็นศีลกรรมบดก็ขาดตรงที่พยาบาทถ้าขาดตรงพยาบาท แต่ยังยังเคียงเพียงแต่โกรธเนี่ยยังศีนยังไม่ขาดโกโรธนี่ศีนยังไม่ขาดศีนยังไม่ขาดถ้าโทษสาแล้วฮะโทษสโทษสาถ้ายังไม่กระทำถ้าพุ่งพล่านออกมาให้ปรากฏแล้วนะฮะแต่ถ้ายังไม่กระทําก็ยังไม่ขาดแต่ว่าถ้ามาถึงขั้นใบยาบาท์แล้วก็ศีนกรรมมบทก็ขาดพูดเ่งศีนกรรมมบทนะครับครับเพราะว่ามันมีมนกกรรมอยู่ตัวหนึ่ง คือพยาบาทตรพยาบาทาบาทัตนะิชฉาพยาบาทตรมิจาทิฏฐิอันนี้พูดถึงงคลกระแสะสายของความโกรธท่านี้ก็ <c oughs> เอาชนะเอาชนะความโกรธด้วยการใหาา้อภัยครับขอโทษนะครับ เอาชนะความโกรธด้วยการให้อภัยก็ก่อนนึกว่าคนเราทุกคนมันก็มีข้อบกพร่องนะฮะ เ, เราก็มีข้อบกพร่องคนอื่นก็มีข้อบกพร่องเพอร์เฟคชั่นไม่มีในโลกนี้ไม่มีความความบริบูรณ์ไม่มีคนเราก็ดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดครับอันบางส่วนดีบางส่วนไม่ดี ก็ให้อภัยให้อภัยไปขยันให้อภัยไปก็เอาชนะความโกรธได้ด้วยกันให้อภัยคนเก่งๆคนนักปบุญโปรกศรีดาทั้งหลายนี้เป็นนักให้อภัยด้วยนั้นนะครับพระพุทธเจ้าพระเยซูก็ะท่านมาจะมาคันที่ใครต่อใครที่เป็นคนทางด้านนี้ก็เป็นนักให้อภัยให้อภัยแล้วใจสบาย ความโกรมันก็หมดไปด้วยอันนี <c oughs> ้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับทีนี้จะให้อภัยกับคนเช่นไรท <c oughs> ่านอาจารย์ให้อภัยแก่คนที่ควรให้อภัยครับเพรือว่าถ้าเผื่อว่าจะต้องเอาโทษหรือลงโทษก็ต้องลงโทษตามสมคว ร, คร คือถ้าเขาทำผิดก็ต้องลงโทษใช่ไหมครับไม่ใช่ให้อภัยรุ่ยไปอ๋อย่างงั้นไม่ได้ครับมันมันผิดหลักการปกครองครับเอหลักการปกครองมันต้องอยู่ที่ว่าลงโทษคนที่ควรลงโทษคอ่ให้รางวัลคนที่ควรให้รางวัลนิคันเห็นิคันทะนิคขหารหัง่คปักคันเหตปักขหารหังใช่ครับข่มคนที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่อง ครับบางคนนี่จะทําความผิดเป็นอาชินนี่เราเอาภัยอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้แต่จะไม่ได้จะอยนั้นทําให้เขาเสียนะฮะครับทำให้เขาเสียถ้าเป็นลูกก็ทําให้ลูกเสียครับเราเราต้องไม่ประพฤติทำให้คนอื่นเขาเสียโอ้ครับต้องไม่ประพฤติทำให้คนอื่นเสียให้คนอื่นเขาเสียโอ้ครับอย่างว่าเมตตาการุณาเนี่ยมันก็เป็นการ ก่าความโกรธหรือละความโกรธด้วยใช่ะครับเราต้องไม่เมตตากรุณาจนเสียความยุติธรรมคือเสียเบกขาอเสียเสียความยุติธรรมเสียความยุติธรรมครับความยุติธรรมก็คืออเบกขาเองใช่ไหมครับเพราะเป็นเป็นลักษณะหนึ่งของเบขานะครับความยุติธรรมแต่ว่าความยุติธรรมนี่มันเว้นหน้าคติ โอเคไม่มีอากติใดๆนะท่านอาจารไม่มีอาการตีเยนะอากาติสีนั่นก็เป็นความยุติธรรมถ้าบอกว่าใช้เมตตาด้วยอากตินี้ใช้ไม่ได้เลยใช้เมตตาด้วยอากาติครับอ บ, บอเรกว่าโอ้นี่เพราะว่าเราเป็นเป็นลูกของเราเป็นลูกน้องของเราต้องใช้เมตตาอย่างนี้น่านอาจารย์ <alles> มันมันเสียความยุติธรรมครับพออาการติแล้วกว็เสียความยุติธรรมครับ อย่างว่าถ้าเผื่อว่าสองอย่างมาไปเิญหน้ากันถือว่าเมตตากรุณากับความยุติธรรมโอมาไปเฉยหน้ากันมาไปเิญหน้ากันใช่ไหมหมายความว่าถ้าเผื่อจะประพฤติเมตตากรุณาก็จะเสียความยุติธรรมถ้าเผื่อตั้งอยู่ในความยุติธรรมก็จะเสียเมตตากรุณาถ้าเป็นอย่างนี้ให้เลือกเอาอย่างไรคือให้เลือก หรือเอาอะไรให้จริ้งอะไรครับ อ, <c oughs> อั น, นอันนี้ทางจริยศาสตร์ท่านให้ตั้งอยู่ในความยุติธรรมให้ยุติธรรมครับครบให้ให้ยอมเสียเมตตาการุณาครับแต่ความจริงเมตตาการุณามันแฝงอยู่ในความยุติธรรมครับ <c oughs> ที่ที่เราทําอะไรไปด้วยความยุติธรรมนั่นก็อาศัย คาเมตตากรุณาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับคือว่าเมตตาต่อเขาอนะอยากไม่ไม่อยากให้เขาเสียมากไปกว่านั้นก็เลยทำไปด้วยความยุติธรรมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีเมตตากรุณาแต่ความจริงก็เมตตากรุณามันก็แฝงอยู่ในความยุติธรรมนั่นแหละครับแต่ถ้าบางทีก็ ทำไปด้วยเมตตากรุณาคให้อภัยแล้วเมตตากรุณาแล้วก็เสียความดีเทียมความมิได้ทำอย่างนี้ใช่ไม่ได้ใช่ไหมท่านนี้จะเสียหายใหญ่เสียหายครับอยกตัวอย่างเช่นพวกเราะว่าเป็นครูนะฮะอาจารย์ผมก็เป็นครูนี้ถ้านักเรียนพระสงฆ์ก็สอบือว่าในการสอบเรามีเมตตากรุณาต่อนักเรียนถ้าเราก็ให้คะแนนเอหมดเลย ครับใครจะตอบผิดตอบถูกให้เอหมดตอบสามให้เอหมดเลยตอบดีตอบปานกลางตอบเอหมให้เอหมดด้สุดตากรุณาโอ้ครับอย่างนี้มันเสียความเสียความยุติธรหมดคนที่ตั้งใจเรียนดีตอบได้เอก็ไม่ยุติธรรมเหมือนคนนี้แต่คนที่ไม่เรียนเลยได้เอครับครับออครับมันจะเสียความยุติธรรมที่นี้ก็ เอคนที่แกได้เอโดยที่ไม่ควรได้นั้นแกก็จะไม่นับถือด้วยไม่นับเถือเอาอย่างไ่ฮะครับครับขณะกูไม่ได้เรียนยังให้ยังใอย่างนี้จะเรียนไปทําไมนี่อองค์ที่คนที่เก่งก็ถ่ายการนับถยออีกให้ไอเราเรียนท้าตายได้เออคนไม่เรียนก็ยังได้เอครับก็เรียกว่าเสียทั้งขึ้นทั้งร่องเลยนะใช่ไหมใช่ครับใชครับ เพราะฉะนั้นเรื่องเมตตากรุณานี้ไม่ใช่เรื่องครับต้องมองถึงความยุติธรรมด้วยท่านอาจารย์นะครับอันนี้แน่นอนครับครับเกิเมตตากรุณาที่เสียความไร้ความยุติธรรมนี้ใช้ไหมได้ใช่ไม่ได้เลยครับใช่ไม่ได้เพนั้นต้องทำลงรักษาความยุติธรรมเอาไว้ครับถ้าเผื่อมันมาเผชิญหน้ากันนะครับถ้าเผื่อว่าไม่เสียทั้งสองอย่างจะได้เมตตากรุณาด้วยได้ความยุติธรรมด้วยก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไปนะครับ ครับครับอันนี้ก็ชัดเจนอาจารย์ตังคครับครับชัดเจนนะครับนำไปใช้ได้คณะความโปรดด้วยการให้อภัยครับการให้อภัยในที่นี้ก็จะต้องมีอความยุติธรรมหรือว่าตัวอุเบกขาเข้ามากำกับด้วยครับครับไม่ใช่ว่าให้อภัยจะพึ่งใช่ไอุเบกขานี้ไม่ใช่เฉยๆนะครับไม่ใช่เฉยๆก็คือตัวยุติธรรมด้ครับตัวตัวเวนนักตินะครับอุเบกขานี่คือตัวเวนนคเวกติครับ อแล้วก็จากนั้นก็ปัจจุบันนี้เป็นปัญหาเรื่องการใช้เมตตาอาจารย์ก็มีวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ตลอดนะครับว่าการใช้เมตตานี่จะมากไปหรือเปล่าอะไรยังไงนี่พอพอพูดถึงท่านอาจารย์พูดนี่นก็ถือว่าชัดเจนนะ ค, ะนะครับเต่นันนี้เมตตามันเกินอุเบเกขาแล้วเมตตาเกินอุเบกขากรุณาเกินอุเบกขามุทิตาเกินอุเบกขา่ถ้าอย่างนี้เราก็เสียยุธรมเสียเสียยุติธรรมครับ นีนี้ออุเบกขานี่มันเป็นธรรมะตัวรักษาธรรมครับอุเบกขาเรวกระเพิดอุเบกขาเพื่อรักษาธรรมบางทีเมตตากรุณามุทิตานี่เป็นการรักษาคนครับรักษาคนนะนะแต่อุเบกขานั้นเป็นการรักษาธรรมมีอุเบกขาแล้วก็จะเป็นการรักษาธรรม จริงๆแล้วตอนนี้ชาวบ้านเขารู้จักดีท่านอาจารย์่ะก็รู้สึกว่าจะเข้าใจคำว่าเมตตาดีแล้วเข้าใจอุเบกขาดีตอนนี้ถ้าไม่ถ้าไม่เสียความยุติธรรมก็ใช้ได้แต่ถ้าเสียความยุติธรรมก็คงไม่ได้คราวนี้ก็ต่อไปก็สองเลยฮะเดี๋ยวผมขออ่านอีกนีหนึ่งขอสามีหนึ่ เ อ, อความความโกรธพูดถึงเรื่องความโกรธเ อ, อลองดูเข้าไปในคุกนะครับอาจารย์นะครับลองดูเข้าไปในคุกคนในคุกนี่ความโลภหรือความโกรธหรือความหามลงอย่างใดอย่างหนึ่ ง, งเนี่ยครับเ อ, อหรือทั้งสามอย่างรวมกันนี่มันส่งเข้าไปนะ ความโลภความโกรธความหลงค่ะตัวใดตัวหนึ่งแล้วคนที่อยู่ในคุกได้ไปด้วยแรงของสามตัวนี้ไม่อย่างไดไม่ตัวใดก็ตัวนี้ตัวใดก็หนึ่งหรือถ้าทั้งสามตัวรวมกันก็ได้นะครับอแล้วก็มองไปทางไหนก็ดูเหมือนว่าเห็นแด่คนที่ลําบากอยู่กิเลสสามตัวเนี้ตัวโกรธบ้างตัวโลภบ้างตัวหลงบ้าง ถ้าโกรธจนระงับไม่อยู่แล้วก็มันก็ต้องก็ต้องลําบากไปเรื่องนึ่งอ่ะค่ะก็ต้องเข้าคุกเป็นเงินเข้าคุกเหมือนกันแล้วระงับไม่อยู่ก็เข้าคุกเื็นเงินครับหลงระงับไม่อยู่ก็เข้าคุกเื็นกันใช่ครับครับก็เรียกว่าทั้งสามตัวนี่เป็นตัวชักสูงไปสู่อบายก็ว่ากันเนี่ยหรือว่าสุดแล้วแต่ตัวไหนจะออกหน้านะครับใช่ไหมฮะตัวไหนเป็นแรงหนุน แต่มันมีตัวออกหน้าอยู่ตัวหนึ่งเลยว่าทำด้วยตัวนั้นเป็นตัวออกหน้าตีนี้ก็มองดูไปอีกแน่หนึ่งว่าทรัพสมบัติชีวิตแล้วก็เวลาที่มีค่าของมนุษย์เนี่ยนะครับก็ได้ถูกทำลายล้างสารไปพอาความโลภความโกรธหรือความหลงมากมายเกินในทีนี้ก็เน้นเรื่องความโกรธนะครับเน <Okay. S 1> ้นเรื่องความโกรธ ตัวความหลงด้วยก็ได้แล้นักการพนันเนี่ยนักการพนันเพราะความหลงมันหลงก่อนใช่ไหมหลงนะนักการพนันนี่หลงโหลงหลงว่าเล่นการพนันนี่หรือจะรวยะโลดด้วยแล้วก็ปรากฏว่าเมื่ออยากรวยก็เกิดความโลภขึ้นมาคร่ะหลงด้วยหลงด้วยการเล่นไปแล้วเกิดเสียขึ้นมาก็เกิดความโกรธเกิดยิงกันอ่าได้ครับ ก็ไปโกงกันไปโกงกันอ่าก็กล้าเสี่ยงพวกนี้กล้าเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียกล้าเสียกล้าทําทีนี้มองมองไปอีกแง่หนึ่งว่ากุศลกรรมด้วยความดีเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเสี่ยงเลยมีแต่ผลดีอย่างเดียวอแต่ว่าทําไมคนจึงไม่ค่อยกล้าทุ่มตัวลงไปให้หมดตัวมันทํายากท่านอาจารย์ครับความดีคนดีทําได้ง่าย แต่ความดีคนช่วนไม่ยากแสดงว่าคนชั่วเยอะใช่ท่านอาจารย์ใช่ครับแสดงว่าคนชั่วเยอะครับอครับแต่ถ้าถือตามพระพุทธศาสิตก็ได้นะฮะพระพุทิเจ้าท่านก็ตรัสว่าอทุสีโลภาอุชโญใช่ไหมฮะเพราะคนส่วนมากเป็นคนชั่วอจะเป็นคนทุสิทธิ์ถ้าถ้าเหมือนกับที่ ส น, ในใชัยปริภาชกพูดกับภาษามมรขลาสาริบุตรนะท่านทา่านคนฉลาดก็ไปหาพระเจ้าครับนโง่ก็มาหาเราครับอคนโง่ในที่นี้ก็คือคนทุศีนั่นเองนะฮ ะ, ะพระภูชโนอดชนะ<ๆ>มากคนส่วนมากเป็นคนทุสีจเป็นคนชั่วคนฉลาดก็ไปหาพระเจ้าคนโง่ก็มาหาเราคราบได้ที่คนโง่ยังมาหาเราอยู่ไม่ต้องกลัวว่าจะอดตาย แลาอยกับคนโง่จะโยกับคนโง่ถ้คนโง่นี่นาตีคนโง่มีเงินให้ไถเยอะนะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะหาว่าผมโง่แต่ผมมีเงินผมโง่ได้อย่างไรอาจารย์ทั้งหลายโง่ในการที่ว่า ใช้เงินไม่เป <PC> ็นเลยไม่ร <hombre> <nut S 1> <ol> ู้จักใช้เงินไม่รู้จักคุณค่าของเงินไม่รู้จักวิธีที่จะใช้เงินให้เขาหลอกได้คนคนโง่นี่คนมีเงินก็ได้คนจนก็ได้มีได้ทั้งสองพวกมีได้ไม่ต้องจับคนคนรวยก็โง่ได้คนรวยก็โง่ได้คนจนก็โง่ได้ถ้าจริงจริงแล้วเราไปดูในสมัยพุทธกาลนี่ยังก็ะพามเอกเอกสารดกแล้วก็มีภาาพื้นเดียว ก็สุดท้ายก wow. ็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็โง่ก็ฉลาดไอ้จนก็โง่ก็ฉลาดได้เหมือนกันใช่ไหมครับไอ้จนนก็ฉลาดได้จนก็ฉลาดได้ไอ้จนก็โง่ได้อไอ้จนก็โง่ได้รวยก็โง่ได้รวยก็ฉลาดได้ครับมันมีทั้งก็อย่างเงี้ยอย่างกับนางวิสาขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนรวยก็ฉลาดแต่ว่าพ่อผัวเป็นคนรวยก็โง่เนี่คนโง่เพรา่า เรียกว่าการที่ร่ำรวยหรือว่าเรียนสงสงก็ไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่าเป็นคนงค้อคนฉลาดในความหมายของศ า, ศาสนาพุทธนะนอาจารย์น ะ, ะครับครับทีนี้ถ้าถือตามพระสูตรบางพระสูตรเช่นมหาเวทันละสูตรนะฮะครับอันนี้ท่านกนําหนดเอาอย่างสูงเลยอพระมหากดทิตะถามพระสารีบุตรว่าคนเช่นไรเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาไม่ดี ค, คนอย่างไรเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาดี สาริบุตรตอบว่าไม่รู้อริยสัจตามความเป็นจริงเรียกว่าเป็นคนมีปัญญาไม่ดีเอเมื่อรู้อริยสัจตามความเป็นจริงแล้วเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาดีคราเอาอันนี้เป็นเกณฑ์นะรเรานรียกเกณฑ์เลยในหลักของในหลักของศาสนาพุทธเราเอา ปัญญาตัวนี้เป็นเกณฑ์เลยว่าถ้าเอาันนี้เป็นหลักก็คนมีปัญญาดีนี่น้อยเหลือเกินเพราะว่ารู้วิทยาศัสตร์ตามความเป็นจริงนี่รู้ยากครับมากจะรู้ไม่เป็นไปตามความเป็นจริงใช่ครับเลยต้องละสมุทัยด้วยรู้แจ้งนิโรธด้วยแล้วก็รู้รู้ทุกตามความเป็นจริงด้วยแล้วก็มักก็เจริญได้บริบูรณ์ด้วย สมุทัยที่ควรละก็ละได้ด้วยอย่างนี้ดีวกว่ารู้จริงรู้ตามความเป็นจริงอันนี้กำนอดอย่างสูงะนะฮะทางอุปกิดถ้าเอาตามมาจรฐานนี้คนโง่ก็ยิ่งมากขึ้น ม, มากขึ้นครับใช่ครับทีนี้จะมีท <c oughs> ่านไหนันจะมีคนแย้งว่าเออถ้าหากว่าในโลกนี้มีแต่คนชั่วนี่โลกคงจะแตกไปแล้วมัน มันก็เกิดเกิดความวุ่นวายแล้วขนาดเงี้ยแสดงว่าโลกนี้มีผ้าขคนดีมากบางที่โลกที่ยังอยู่ได้มันมันก็อยู่ได้แต่มันก็อยู่อย่างเลอะเลอะอยู่อยู่อย่างลบลายข้าวันกันใช่ไหมอาจารย์ฮะใช่ครับครับโอ้อยู่ได้แต่มันก็อยู่อย่างเลอะเลอ๋อไม่ได้อยู่อย่างสะอาดครับไม่ได้อยู่อย่างสงบสันติใช่ครับใช่ครับครับอืมเอ่อต่อไปก็สองแมะครับครับ ต่อไปข้สอสช น, น ะ, นะชนะความอยากด้วยความเสียสละสนะความอยากด้วยความเสียสละความอยากในที่นี้ก็เล็งออกตัวอิจฉานะครับออ <hai, S 2> อิจฉาอิจฉาไม่ใช่รื่ยาครัอ <t ip> อิจฉาคือความอยากความต้องการมันเริ่มต้นจากอิจฉา <t ip> อืออิจฉาที่นี้ถ้าเบื่ออยากมากขึ้นมันก็เป็นมาอิจฉาครับ <t ip> อยากมากขึ้นแล้วก็ถ้าเบื่อมากขึ้นอีก แล้วไม่ได้โดยทางที่ชอบมันก็เป็นป า, ชชาปาิจตาปาครับป่าทนะปิต า, าคือคป่าทนาในทางชั่วในทางชั่วเมื่อป่าทนาในทางชั่วแล้วต่อไปมันก็เป็นอาปิตาวิสมาโลปะ ค, คือโรคอยากได้ของผู้อื่นในทางทุจริตสายมันจะมาอย่างนี้นะครับสายเข้ามันก็จะมีหนึ่งก็คืออิจฉากิจายากรเพราะออยากรก็ จะเพิ่มเป็นไม่หิจฉาพอเพิ่มความอยากเพิ่มขึ้นครับอ่าพอเพิ่มความอยากเพิ่มขึ้นเกิดไม่ได้ขึ้นมา้ก็ปลาผิดฉาปลาผิดฉาปาผิดฉานี่ก็จะปรารถนาในสิ่งที่ผิดทําในสิ่งที่ผิดอยากอยากได้ในทางชั่วอยากได้ในทางชั่วครับ ทุจริตก็เอาสุจริตก็เอาสุจริตก็เอาก็สุดท้ายก็จะไปลงด้วยอภิชาวิสมะโลภะอภิชาวิสมะโลภะโลกจากได้ของคนของคนอื่นมาโดยทางที่ไม่ชอบโดยทางทุจริตแทนโดยทางทุจริตครับวิสมะนี่แปลว่าทุจริตนะครับอ๋อวิสมะวิสมะวิสมะนี่แปลว่าเสมอใช่ไหมอ่าไม่เสมออ่าวิสมะก็แปลว่าไม่เสมอตั้งใจดำตัวแปลว่าไม่เสมอไม่เสมอก็คือความหมายหมายถึงทุจริต อย่างคำว่าสมัจริยานี่แปลว่าประพฤติทุตจริตอวิสมจริยานั่นคือประพฤติ ท, ทุจริตครับในในมงคลที่ป น, นีอใช่มากอ่ะสองคำนี้นะสมัจจริยาซึ่งผู้เรียนบาลีมักจะแปลว่าประพฤติสม่ําเสมอวิสมจริยาก็ประพฤติไม่สม่ําเสมอก็ไม่ค่อยจะเข้าใจความหมายนะฮะแต่ว่าถ้าถอดความออกมาว่าประพฤติ ท, ธธทุจริต แล้วก็ประพฤติสุดจริอย่างนี้ก็เข้าใจความอาจารย์คงเคยนึกออกถึงเรื่องอในอินรีสะสาดกนะะว่าอินลีสะเศรษฐีนี่มีมีว่าเทวดาปลอมมาเป็นอินรีสะเศรษฐ <c oughs> ีอุโพกันชาอุโพกุณีอุโพวิสมะจักคุกา ทางสองคนเป็นคนง่อยเป็นคนค่อมแล้วเป็นคนตาเละเหมือนกันวิสมะจักูกาคือตาเลคครรับะแต่ไม่เสมอเอออุปินนังปีรากาสีเสก็มีต่อมที่ศีรษะทั้งสองคนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนไหนเป็นอินลีสะเศรษฐีครับนาหังชานามีอินลีสะมันเอเศรษฐีที่แนวครับ ตอนนี้ก็ให้ดูให้เห็นคําว่าวิสมะวิสมะจักูกาตาตะเลตาเลตะเลตาม่เสมอตาไม่เสมอกันสองข้างตามไม่เสมอตะเลออกผมไม่ใช่ว่าตาบอดนะฮะไม่ใช่ตาบอดนะตบอดไม่ตาบอดถ้าตาบอดถ้าตาบอดก็จะใช้อีกแบบหนึ่งจออันโตอันโตจักูก อันท่าไปจกก็ได้อันโทรอันโทไปว่ามืดบอดอ๋อออ่างเมื่อพันธกาศนอนหนูสระโอทอทอทททงกับอันโทรอันโทรยะทาโชตามิตเฉยยะคนบอดเหยียบตรงไปได้แม้แต่ไฟที่สองทางอืมครับนี่ก็มีแค่อันก็ความอยากภายละความอยากความอยาก ไอเดีวชนะความอยากด้วยความเสียสละค่ะโดยความเสียสละคือว่าอมีความอยากถ้าไม่มีความเสียสละถ้าไม่เสียสละมันก็ไม่สามารถเสียสละได้ค่ะจะต้องมีน้ําใจเสียสละจิตใจเสียสละจะลาได้ค่ะ คือคนที่อยากนี่ไม่เสียสละนี่จะอยากอยู่เรื่อยไปได้าาจารย์ครับไม่ไม่ไม่อิม่มครับครับ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าได้มาแล้วให้บ้างนี่ก็จะทำให้คือความอยากอาจจะลดน้อยลงไปบ้างาครับใช่ครับคือถ้าไม่เสียสละบ้างมันก็อยากอ ย, กอยู่นั่นน่ะครับอยากอยู่ตลอดอยากอยู่นั่ น, นครับไม่พอแต่ถ้าหัดเสียสละแล้วรู้สึกว่ามันจะไป ไปอิ่มใจกับความเสียสละใช่เลยแตบางคนมันเ <c oughs> สียสละเหมือนกันแต่ว่าเสียสละเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นอย่าง <c oughs> อ่งเช่นสมมติว่าผมจะทำบุญบ้านเนี่ยแล้วก็ทำไปเพื่อประกาศให้คนเขารู้ว่าเรานี่มันแน่มีเงินมากอย่างนี้มันเสียสละอย่างลักษณะแบบ น, นี้ถือว่าถูกต้องนะฮะอันนี้ก็เสียสละแต่ที่นี้มันมีตัวกิเลสตัว ปัญหามันนํามาครับครับนะอย่างนี้ไม่ใช่เสียสลากแต่ปัญหามันนํามาอ่าก็เสียสลาเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่อาบโครนคือลงทุนเพื่ออยากจะได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราตัวเราสกปรกแล้วอยากจะอาบน้ําแต่ว่าเรเอาน้ําน้ําโครนมาอาบน้ําโครนอาบน้ําโครนครับใช่ครับอาบน้ําโครนผมขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งนะอาารย์ตัวอย่างคนโดยสารแท็กซี่คนหนึ่งเก็เห็นถุงกระดาษอยู่ที่เบาะหลัง ที่ตัวที่ตัวขึ้นไปนั่งครับ <c oughs> ลองเปิดดูก็เห็นเป็นธนาบัตใบละห้าร้อยจํานวนมากปึกใหญ่เลยสันนิษฐานว่าเป็นของคนโดยสารคนก่อนลืมไว้มองดูคนขับแท็กซี่ก็รู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องที <c oughs> นี้นถ้าจะถือเอาเป็นกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเสียก็คงจะได้นะฮะ <c oughs> กําลังเล่อยู่นานว่าจะทําอย่างไรดี ความเห็นแก่ตัวกับความเห็นแก่ธรรมคือความถูกต้องและความเห็นใจผู้อื่นก็รบกันอยู่ในจิตใจของเขาชั่วระยะเวลานึงในที่สุดก็ตัดสินใจบอกแท็กซี่ให้แวะที่สถานีตำรวจซึ่งเป็นทางผ่านแล้วก็มอบเงินจํานวนนั้นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบหาเจ้าของเงินตามหลักฐานตามหลักฐานบางอย่างที่ติดอยู่ในถุงกระดาษครับ ตำรวจตามตัวเจ้าของเงินมารับเงินคืนไปได้พร้อมทั้งนัดผู้เก็ดเงินไดให้มาพบให้มาพบกันเจ้าของเงินดีใจมากเลยลงกราบผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวนะฮะลงกราบเลยด้วยความคเคารพเลื่อมใสอย่างใจจริงแล้วก็น้ำตาไหลตีตีประโมทน้ำตาไหล เมื่อสนทนากันไปก็ได้รู้ว่าเงินจำนวนนั้นเจ้าของเงินกำลังจะเอาไปให้เจ้าของที่และบ้านซึ่งเราผ่อรส่งไว้ขาดส่งมาหลายงวดแล้วเพราะเงินไม่ทันเพราะหาเงินไม่ทันทีนี้พอได้เงินมาก็รีบเอาไปให้ที่พอไปใช้เขาลูกก็ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลใจก็กังวลถึงแต่ลูกจนลืมของสำคัญ